สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิตยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่6ข้อที่14เราจะอ่าน จ, จนถึงข้อที่สุดท้ายเลยครับในข้อที่38ของบทนี้โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า1ง์กษัตริย์บทที่6กข้อสิถึงข้อที่38ดังนั้นโซโลมอนก็ทรงสร้างพระวิหารสําเร็จเรียบร้อย โรงทรงกรุฝาผนังด้านในด้วยกระดานไม้สนสีดาตั้งแต่พื้นจอดเพดานและปูพื้นพระวิหารด้วยกระดานไม้สนทรงกั้นห้องขนาดยีศอกที่ด้านหลังของพระวิหารโดยใช้กระดานไม้สนสีดาจากพื้นจอดเพดานเพื่อเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถานห้องโถงที่อยู่หน้าห้องนี้ยาว40ศอก ด้านในของพระวิหารเป็นไม้สนสีดาสลักลวดลายนูนเป็นลายเครือเถาและดอกไม้บานทุกอย่างทำจากไม้สนสีดาเพื่อไม่เห็นหินข้างในพระองค์ทรงจัดให้ห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในเป็นที่วางหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในนี้กว้างยาวสูงได้ละยีศอกพระองค์ทรงบุภผยในห้องนี้ด้วยทองคาบริสุทธิ์และบุ แท่นบูชาด้วยไม้สนสีดาโซโลมอนทรงบู ด, ด้านในของพระวิหารด้วยทองคําบริสุทธิ์และวางโซ่ทองคํากั้นทางเข้าอาภิสุทธิสถานด้วยซึ่งบูด้วยทองคําดังนั้นโปร่งทรงบู ด, ด้านในพระวิหารทั้งหมดด้วยทองคําทั้งในแท่นอภิสุทธิสถานภายในอภิสุทธิสถานทรงตั้งเคารูปสองตนทําจากไม้มะกอกแต่ละตนสูงสิศอกเคารูปตนแรกมีปีก แต่ละข้างยาว5ศอกและวัดความยาวจากปลายปีกข้างหนึ่งถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งได้1ิศอกเขรูปตนที่2ก็วัดได้1ิศอกด้วยเขรูปทั้งสองมีขนาดและรูปทรงเดียวกันเขรูปแต่ละตนสูง1ิศอกโปรง่งทรงตั้งเขรูปไว้ในห้องชั้นในของพระวิหารปีกทั้ง2ของเขรูปกลางออกและปีกด้านนอกของเขรูปทั้งสองจดผนังตนแต่ละด้านส่วนปีกด้านใน กันตรงกลึ่งกลางห้องโปร่งทรงหุ้มเครูปทั้งสองด้วยทองคําบนผนังรอบพระวิหารทั้งห้องชั้นในและห้องชั้นนอกสลักเป็นรูปเครูปต้นอินทผลมและดอกไม้บานพื้นห้องทั้งห้องชั้นนอกและห้องชั้นในของพวิหารบุด้วยทองคำเสาประตูทางเข้าสถา น, นสมรมสถารชั้นในเป็นเสาห้าเหลี่ยม ทำด้วยไม้มระกอกบานประตูไม้ประกอกทั้งสองบานสลักเป็นรูปเครูปต้นอินทผลมและดอกไม้บานแล้วหุ้มเครูปกับต้นอินทผลมด้วยทองคําพระองค์ทรงทําเสาประตูสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันด้วยไม้ประกอกสําหรับทางเข้าห้องโถงพระองค์ยังทรงสร้างประตูไม้สนสองบานแต่ละบานมีสองทบซึ่งพับ ไปมาได้ด้วยเบ้าต่อบนประตูสลักรูปเครูปต้นอินทรัมและดอกไม้บานแล้วบุทองคำบนลายสกัดนั้นอย่างประณีตโปรงทรงสร้างลานชั้นในด้วยหินสกัดสามชั้นสลับด้วยคานไม้สนสีดาที่ตกแต่งแล้วหนึ่งชั้นวางรากฐานพระวิหารขององค์พระบุพเนเจ้าในเดือนซีฟปีที่สี่ และสร้างพระวิหารเสร็จสมบูรณ์ในรายละเอียดทุกอย่างตามแบบที่กำหนดไว้ในเดือนบูซึ่งเป็นเดือนที่8ของปีที่11รวมเวลาก่อสร้าง7ปีพี่น้องครับตั้งแต่อ่านจากข้อที่14จนถึงข้อที่38ก็กินเวลาประมาณ4นาทีนะครับ4นาทีนี้เทียบเท่ากับ7ปีที่โซโลมอนสร้างพระวิหารผมอยากจะขออนุญาตกลับไปใน หัวข้อเมื่อวานนี้นะครับก็คือสร้างพระวิหารต้องเชื่อฟังด้วยแทย้จริงแล้วพระคัมภีร์ข้อที่13นะครับเป็นจุดที่ว่าสรุปหลักของพระวิหารเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงสถิตยอยู่ในพระวิหารและจะไม่ละทิ้งพระวิหารตราบใดที่อิสราเอลทำตามเงื่อนไขข้อหนึ่ง เงื่อนไขข้อนั้นคืออะไรครับเงื่อนไขข้อนั้นคือต้องเชื่อฟังเชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับเงื่อนไขนี้ยากไหมครับคําตอบคืออาจจะยากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราคิดถึงบทบัญญัติของพระเจ้ามีมากมายทีเดียวและต้องทำตามนะยากครับแต่ครับแต่อิสราเอลก็ไม่ต่างจากเราในทุกวันนี้ ความจริงแล้วเขาไม่ได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพียงพอละเมิดบทบัญญัติข้อเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการอภัยโทษเพียงพอสําหรับบาปทั้งหมดไม่ว่าคุณจะทำบาปเล็กหรือบาปใหญ่บาปน้อยบาปมากนะครับแต่เราจะเห็นว่าการละเมิดบทบัญญัตินั้นเกิดจากอะไรครับสาเหตุเกิดจากการเอาใจออกห่างพระเจ้าหรือการตีตัวออกห่างพระเจ้านะครับ การละเมิดบทบัญญัติเป็นสัญญาณหรือสั ญ, ญลักษณ์ของการตีตัวออกห่างจากพระเจ้ามันไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่ดีๆละเมิดบทบัญญัติไม่ใช่ครับจะต้องเกิดการตีตัวออกห่างจากพระเจ้ามีจิตใจฝักใฝ่นะครับไม่จงรักภักดีไม่สัตซ์ซื่อในการที่เราจะอยู่ใกล้พระเจ้าไม่เชื่อฟังที่สำคัญคืออย่างนี้ครับคือใจ ทิ้งพระเจ้าก่อนเห็นไหมครับใจทิ้งพระเจ้าก่อนก็เลยไม่ได้รักษาบทบัญญัติของพระองค์ไม่ได้หมายความว่าละเมิดแล้วนะครับก็ผิดเลยไม่ใช่ครับแต่ละเมิดต้องสารภาพบาปกลับใจนะครับกลับใจกลับมาเชื่อฟังพระเจ้านั่นแหละครับคือการที่จะให้พระเจ้าสถิตอยู่และพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไปพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลการที่เขาออกห่างจากพระเจ้าก็เลยทำให้เขาไม่รักษาธรรมอันยัติก็เลยทำให้เขาทำบาปห่างจากพระเจ้าในที่สุดพี่น้องครับฤทธิเดชและการสถิตยอยู่ของพระเจ้าก็จะจากพวกเขาไปพี่น้องครับประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะยกขึ้นมาให้พวกเราเห็นถึงความอลังการความยิ่งใหญ่ของวิหารของโซโลมอนข้างนอกของพระวิหารนะครับทด้วยหินใช่ไหครับ พี่น้องคงจำได้แต่ด้านในของพระวิหารครับอินเทリアเดโคเลชันการตกแต่งภายในก็บุ ด, ด้วยไม้สนสีดาไม่ให้เห็นก้อนหินที่อยู่ข้างในเลยนะครับบุ ด, ด้วยไม้สนสีดาทุกอย่างโดยเพิ่มยิ่งห้องชั้นในก็คืออภิสุทธิสถานนั้นห้องนี้นะครับมีความกว้างยาวสูงเท่ากันก็คือด้านละยี่สิบสอระวังหีพทัทัสยาของพระเจ้านะครับ บุด้วยไม้เสร็จแล้วก็บุ ด, ด้วยทองคําบริสุทธิ์นะครับจ๋น่าจะเป็นทองคําเปลวแล้วครับนะบุเข้าไปและบุแท่นบูชาด้วยไม้สนสีดาครับพี่น้องลองจินตนาการสนสีดาผมจะส่งให้ดูในภาพนะครับแท่นบูชาบุด้วยไม้สนสีดาแล้วก็บุด้วยทองคําอีกทีหนึ่งถ า, ถามว่าทําไมทองคําเยอะเหลือเกิน คำตอบก็คือว่าต้องการที่จะให้เกียรติพระเจ้าทำสิ่งที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดมีคุณค่าที่สุดในสายตาของมนุษย์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์พึงจะกระทำให้กับพระเจ้าได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดทำสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วก็ยกย่องพระเจ้าให้สูงที่สุดนั่นแหละครับคือภาวะหรือวิสัยที่เราจะต้องทาต่อพระเจ้า พระพรเจ้าของเรา t h i ยิ่งใหญ่มากการสร้างพระวิหารนั้นเป็นการแสดงถึงภาพสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อพระวิหารเป็นที่ประทับของพระเจ้าก็ควรจะต้องหรูหรางดงามแม้ว่าในสถานที่อัปยศที่สถานที่ไม่มีใครเคยเห็นก็ตามนะครับข้างในแม้ว่าจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าต้องดีที่สุดครับ เพราะว่านั่นคือที่ประทับของพระเจ้าผู้มานมัสการส่วนใหญ่นั้นก็จะชุมนุมแกอ ย, อยู่กันแค่ภายนอกเท่านั้นนั่นคือคอนเซปต์หรือแนวคิดของการสร้างพระวิหารของโซโลมอนคําถามต่อไปก็คือว่าใครเป็นคนออกแบบครับพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าใครเป็นคนออกแบบคําตอบนั้นอยู่ในพระธรรม1พึ่งพสาวดารบทที่28ครับ 1. งพงศวดานบทที่28ข้อที่9แล้วก็จนถึงข้อที่12ครับผมอยากให้ฟังนะครับลูกโซลมอนเอย๋ยจงรู้จักพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าจงปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดหัวใจและด้วยความเต็มใจเพราะองค์พระบุดเจ้าทรงพริเคาะจิตใจทุกดวงทรงเข้าใจเจตนารแรงจูงใจทุกอย่างหากเจ้าแสวงหาพระองค์ก็จะพบพระองค์ แต่หากเจ้าละทิ้งพระองค์พระองค์จะทรงปฏิเสธเจ้าตลอดไปบัดนี้จงไตรตรองดูเพราะองค์พระบิดเจ้าทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระวิหารเพื่อเป็นสถานมัสการจงเข้มแข็งและทํางานนี้เถิดแล้วดาวิดประธานแบบมุกหน้าพระวิหารและอาคารส่วนต่างๆของพระวิหารคลังห้องชั้นบนห้องชั้นในและห้องสําหรับพระที่นั่งกรุณาแก่ซูลมอนทั้งแบบสําหรับลานด้านนอกห้องชั้นบน คลังต่างๆของพระวิหารและคลังสาหรับทรัพย์สินสิ่งของซึ่งนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าดาวิดประทานแบบทั้งหมดนี้ที่พระวิญญาณประทานในความคิดแก่โซโลโมอนพี่น้องครับเราจะพบคำตอบที่นี่ครับดาวิดได้ประทานแบบที่พระวิญญาณให้กับท่านให้กับโซโลมอนทำพี่น้องครับเราจะเห็นว่าโซโลมอนนั้นก็ย่อมต้องเชื่อฟังดาวิดนะครับนั่นแสดงถึงว่า ดาวิดนั้นเป็นคนที่มอบแบบให้ซึ่งถามว่าใครเป็นอยู่คนที่อยู่เบื้องหลังครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานแบบให้ให้กับดาวิดดาวิดก็ส่งต่อให้โซโลมอนโซโลมอนก็สร้างด้วยการเชื่อฟังนั่นเองขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้เห็นพระกัมภีร์และรู้เรื่องนี้ทําให้เราต้องยิ่งกลับมาสํารวจชีวิตของเราว่าตอนนี้พระวิหาร วิหารหลังนี้ก็คือชีวิตของเรากำลังถูกสร้างจากพระเจ้านะครับเรายินดีให้พระเจ้าสร้างหรือไม่เรายินยอมที่จะไม่สร้างตามแบบอย่างของเราแต่ว่าให้สร้างตามแบบอย่างองค์พระเจ้าหรือไม่อย่าลืมนะครับสร้างพระวิหารต้องสร้างด้วยการเชื่อฟังอาเมน